ทีนี้มาเข้าประเด็นคําถามที่ว่าขอพระองค์ปลดเปลื้องข่าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายที่โทตกะมานพถามนั่นนะจุดประสงค์ก็คือขอให้พระองค์เนี่ยปลดเปลื้องข่าพระองค์จากความสงสัยความสงสัยก็คือความสงสัยในทุกความสงสัยในทุกขสมุทัยความสงสัยในทุกขานิโรธความสงสัยในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็คือสงสัยในอริยสัจนั่นเอง หรือความสงสัยในเงื่อนเบื้องต้นในเงื่อนเบื้องปลายทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคือทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นอันเรียกว่าความสงสัย8ประการจำง่ายง่ายสงสัยอริยสัจสี่สงสัยอดีต5อนาคตเป็นที่6ทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยเป็น7จดแดก็สงสัยในปฏิจจสมุปบาท ตัวความสงสัยกิริยาที่สงสัยความเป็นผู้สงสัยความเครือบแคลงความไม่ตกลงความเป็นสองแง่ความเป็นสองทางความลังเลความไม่ถือเอาโดยส่วนเดียวความระแวงความระแวงโดยรอบความตัดสินใจไม่ลงความที่จิตข้่นครามใจสนเทเรียกว่ากระถังกระทาความสงสัยเนี่ยนะใจมันสนเทที่บอกว่าไม่ตกลงก็ไม่โอเคนั่นเองนะ ไม่โอเคสักอย่างะนะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันสงสัยไปหมดอ่ะคำว่าฆ่าแต่พระส ก, กะขอพระองค์จงปลดเปลื้องฆ่าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายความว่าขอพระองค์จงปลดเปลื้องจงปล่อยจงถอนขึ้นจงฉุดชักจงให้ฆ่าพระองค์ออกจากลูกศอนคือความสงสัยเนี่ยทำได้ไหมช่วยถอดช่วยถอนความสงสัยออกให้หน่อยเถอะว่า ง, งั้นสรุปว่า ชมก่อนนะว่าข้าแต่ข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้เป็นเทพเจ้าผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์เที่ยวไปอยู่ในมนุษย์โลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมรตจักสุขข้าพระองค์ขอนาัสการพระองค์ข้าแต่พระสกตะขอพระองค์จงปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลาย น, น, นะขอได้โปรดสงเคราะห์ปลดเปลื้องเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนโทตกะเราไม่อาจปลดเปลื่องใครๆที่มีความสงสัยในโลกนี้ได้ปลดไม่ได้หรอกนะสงสัยมันอยู่ที่ใจท่านน่ยปลดได้ไงนะแต่เมื่อท่านมารู้ธรรมะอันประเสริฐพึงข้ามโอคะนี้ได้ด้วยความรู้อย่างนี้ถ้ารู้ธรรมะอันประเสริฐท่านจะข้ามโอคะได้ะแต่ว่าให้ปลดธรรมดามปลดไม่ได้หรอกแต่ถ้าท่านรู้ธรรมะที่ประเสริฐนะท่านจะข้ามจากโอคะ ข้ามความสงสัยได้หมดแล้วอธิบายตอนแรกว่าเราไม่อาจปลดเปลื้องคือเราไม่อาจปลดเปลื้องใครๆที่มีความสงสัยได้รอกความว่าเราไม่อาจปลดไม่อาจเปลื้องไม่อาจแก้ไม่อาจปล่อยไม่อาจถอนฉุดชักท่านให้ออกจากลูกศรคือความสงสัยได้เพราะนั้นเราไม่อาจปลดเปลื้องได้กสงสัยจะไปแก้ยังไงนะถ้าเดึนไงตัวสงสัยออกมาจากใจให้ทาได้ยังไงวะงั้น อีกอย่างหนึ่งเราไม่อาจไม่สามารถไม่อุสาหะไม่พยายามไม่กระทำความมั่นไม่กระทาความเป็นผู้มีความมั่นไม่กระทำเรี่ยวแรงไม่กระทำความทรงจำไม่ทำความเพียรไม่ยังฉันท่าให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะเพื่อจะแสดงธรรมกับผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันท่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามไม่ปฏิบัติเพราะเหตุนั้นเราไม่อาจปลดเปลื้องได้ พระพุทธเจ้าไม่สอนผู้ไม่มีศรัทธานะีไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะผู้เกียดคร้านเนี่ยผู้ที่มีความเพียรเลวผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ไปสอนบุคคลเหล่านั้นมันจึงเรียกว่าเราไม่อาจปลดเปลื้องได้ น, นั่นเองอีกอย่างหนึ่งบุคคล น, นั้นพึงปลดเปลื้องได้ก็ไม่ต้องมีใครอื่นๆช่วยปลดเปลื้องหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าถ้าช่วยกันได้จริงๆพระพุทธเจ้าก็ช่วยไปหมดแล้วละเหมงอนน พระองค์ปลดให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันชอบปฏิปทาอันสมควรปฏิปทาอันเป็นไปตามประโยชน์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเรียวแรงด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของตนด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษอันเป็นส่วนของตนพึงปลดเปลื้องได้ด้วยเหตุแม้อย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าเราไม่อาจปลดเปื้องได้ ก็แปลว่าถ้าจะปลดเปลื้องได้ก็ต้องปฏิบัติเอาเองนะใครจะปลดเปลื้องก็ต้องปลดเปื้องด้วยการปฏิบัติตามสมควรตามประโยชน์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษจริงจรงจึงจะจึงจะเปื้องได้สมจริงตามพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนจุนทะบุคคลนั้นหนอเป็นผู้ติดลมอยู่ด้วยตนจักถอนขึ้นซึ่งบุคคลอื่นผู้ติดลมได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ตกลุมลึกเท่าคอเนี่ยนะจะไปฉุดคนที่ตกลึกเท่าคอด้วยกันขึ้นได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วในที่ในสันเลขสูตรสันเลขสูตรเล่มสิบจดนันละสันนะสเลขสูตรเนี่ย น, นะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างหน่อยเดียว ดูก่อนชุนจุนทะบุคคล น, นั้นหนอไม่ได้ฝึกไม่ได้ถูกแนะนําไม่ได้ดับรอบแล้วด้วยตนเองจากฝึกจากแนะนําให้บุคคลอื่นให้ดับรอบได้ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ตัวเองไม่ได้ฝึกด้วยไตรสิกขาไม่ได้ฝึกด้วยสังวรวินัยปะหานลวินัยเป็นต้นเนี่ยจะไปแนะนําคนอื่นได้อย่างไงตัวเองไม่ปริเนียพานะจะแนะนําให้คนอื่นปริเนิยพานได้อย่างไร สมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมชั่วอันบุคคลทำด้วยตนเองแล้วจักเศร้ามองด้วยตนเองกรรมชั่วอันบุคคลไม่ทำด้วยตนเองแล้วย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นของเฉพาะตนผู้อื่นจะช่วยชำระผู้อื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไหมง่ายๆเลยกินข้าวเผื่อกันได้ไหมหล่ะยับยกกั้งกันนะ อาบน้ําแทนกันได้ไหมไม่ได้อาบน้ําเผื่อกันได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะนี้ก็เหมือนกันความดีความชั่วก็เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทําแทนกันไม่ได้สมจริงตามพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพรามนิพพานก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหลหนทางนิพพานก็ตั้งอยู่เราผู้แนะนําก็ตั้งอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้สาวกทั้งหลายของเราอ่ะ เราก็ตักเตือนอย่างนี้พร่มสอนอย่างนี้บางพวกบรรลุนิพานอันมีความสําเร็จล่วงส่วนหรือบสําเร็จส่วนเดียวบางพวกก็ไม่บรรลุดูก่อนพร่ำในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้ดูก่อนพร่ำตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางใครถามทางแล้วก็บอกให้บุคคลทั้งหลายปฏิบัติ ด, ด้วยตนพึงพ้นได้ด้วยตนเองนนะก็ยกในคณะกะโมคลานสูตรในมัชฌิมนากายมา น, นะว่าการที่จะ ถึงหรือไม่ถึงเนี่ยนะพระองค์ก็บอกพระองค์คนชี้ทางเฉยๆเนี่ยนะเดินแทนกันไม่ได้หรอกเนี่ยนะแต่นี้ถ้าหากว่าเราแนะนําเขาตามข้อปฏิบัติคืออริยมรรคเพื่อ น, นิพพานถ้าเขาไม่ปฏิบัติอ่ะจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่ทําตามจะไปว่าอะไรเขาใครว่าคนนั้นก็ป่วยอะ่ะเนี่ย ดูก่อนโคตกะเพราะฉะนั้นใครๆผู้มีความสงสัยในโลกที่บอกว่าเราไม่อาจจะช่วยใครๆผู้มีความสงสยัยเนี่ยนะผู้มีความสงสยัยความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นเป็นทางสองแพร่งเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรรษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรครหัสบัญญัตชทิฏเทวดาหรือมนุษย์ในโลกนะนะทั้งไม่ว่าอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอจตนาโลกเพราะฉะนั้นสรุปว่าเราไม่อาจที่จะปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลก ก็แต่เมื่อมารู้ธรรมะอันประเสริฐถ้ารู้ธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันประเสริฐก็คืออมะตะนิพานความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปเที่ทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกกิเลสความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดตรัสว่าเป็นธรรมะอันประเสริฐเศษทังก็เป็นธรร ม, มะอันเลิศประเสริฐวิเศษเป็นประธานอุดมสูงสุดเนี่ยนะ คำ ว, ว่าอชาณมาโนความว่ารู้ทั่วคือรู้แจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดแต่หากว่ามารู้แจ้งธรรมะอันประเสริฐคือพระนิพานอย่างนี้ท่านพึงข้ามโอค่านนี้ได้ด้วยความรู้อย่างนี้ถ้ารู้นิพานจริงก็ข้ามโอคะาได้อธิบายว่าท่านพึงข้ามพึงก้าวล่วงพึงเป็นไปล่วงซึ่งโอค่คือกามโอค่าคือพบโอคะคือทิฏฐิโอค่าคื อ, อวิชา ด้วยมารู้อย่างนี้คือถ้ามีความรู้รู้นิพานเห็นนิพานก็ข้ามเนี่ยข้ามตันหาข้ามตันหาทั้งที่เป็นกามตันหาภวะตันหาข้ามทั้งทิฏฐิข้า ม, ามอาวิชชาได้ถ้ารู้แจ้งหรือเห็นพระนิพานพญันสรุปคาถาที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนโทตะกะเราไม่อาจปลดเปลื้องใครๆที่มีความสงสัยในโลกนี้ก็แต่ท่านเมื่อมารู้ธรรมะอันประเสริฐพึงข้ามโอคา น, นี้ได้ด้วยความรู้อย่างนี้ ถ้ามีความรู้พระนิพพานก็ข้ามโอคาได้โทตะกะพราหมณ์ก็ถามแต่ไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาเนี่ยนะเห็นใจใเธอเอ่งั้นนะตรัสสอนธรรมะอันสงัดที่ข้าพระองค์พึงรู้ได้นะขอกรุณาสอนที่ธรรมะที่พอรู้ได้นะแต่ต้องเป็นนิพพานนะเ น, นีสอนนิพพานที่พอรู้ได้ว่างกันข้าพระองค์เนี่ยไม่ขัดข้องเหมือนอากาศ ปนะราถนาเหมือนอากาศเลยเป็นผู้สงบอยู่ในที่นี้นี่แหละไม่อาศัยแล้วพึงเที่ยวไปนะขอขอขอบรรลุนิพพานที่นี่เลยนะไม่ขอบรรลุที่อื่นนะนขอบรรลุต่อหน้านี่แหละว่างั้นก็ไม่ติดไม่ข้องเหมือนอากาศไม่มีตันหาทิฐิเลยแหละอธิบายคำถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐขอพระองค์โปรดตรัสสอนคืออนุเคราะห์เอ็นดูพระเจ้าขอพระองค์โปรดตรัสสอน คำว่ากรุณาญามโนความว่าโปรดกรุณาปราณีรักษาอนุเคราะห์เอ็นดูเพราะฉะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์โปรดกรุณาตรัสอนนะโปรดเอ็นดูเธอเนี่ยนโปรดเห็นใจเธอกรุณาได้โปรดสงสารเธอว่ากันอมะตะนิพานเนี่ยนะ อมตะนิพานก็คือความสงบระงับสังขารความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำหรับตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดตรัสว่าเป็นนิพานนี่นะเรียกว่าธรรมะอันสงัดนิพานเรียกว่าธรรมะอันสงัดหรือวิเวกนะวิเวกเน้นที่อุปธิวิเวกคําว่ายามหังวิฉัญย์ยังความว่าที่ข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้แจ้งพึงรู้แจ้งเฉพาะพึงแทงตลอดนั่นนะ ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศไหมปรารถนาจะเป็นเช่นอากาศนั่นของเราเคยคิดไหมเห็นอากาศทุกวันอากาศไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องอะไรเลยนะแมขอปรารถนาจะเป็นเช่นอากาศบ้างเหมงอนนความว่าข้าพระองค์อ่ะไม่ขัดข้องคือไม่ติดไม่พัวพันเหมือนอากาศอันไม่ขัดข้องอากาศเนี่ยไม่พัวพันอย่างนี้มันเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอไม่ขัดข้องเหมือนอากาศอากาศไม่ติดขัดจะตรงไหนเลยสักอย่างนะ เขาบอกว่าข่าพระองค์ไม่รักไม่ชังไม่หลงไม่มัวหมองเหมือนอากาศอากาศนี่ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่เศร้ามองด้วยกิเลสสักอย่างเพราะขอไม่เศร้ามองเหมือนอากาศแต่พูดแบบสมัยนี้ก็อากาศก็แม้อากาศไม่ค่อยบริสุทธิ์เลยนะแต่นี่พูดแบบอากาศโบราณที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะแต่จริงตัวอากาศไม่เสียหายหรอกแต่ว่ามนพิษที่อยู่ในอากาศนี่แหละเสียหายแต่ตัวอากาศไม่มีเศร้ามองไม่มีหรอกคําว่าอัน อากาศเนี่ยนะใครๆไม่อาจจะย้อมด้วยน้ำครั่งน้ำขมิ้นสีเขียวสีน้ำฝาดไม่ได้ชันใดมันขา่าพระองค์ก็ขอไม่ถูกย้อมไม่ถูกคล้องด้วยอำนาจความรักความชังความหลงความหมัวมอ ง, มองคือราคะโทสะโมหกิเลสเนี่ยนะขา่าพระองค์ไม่โกรธไม่ขัดเคืองไม่หดหูไม่กระทบกระทั่งเหมือนอากาศอากาศนี้ก็ไม่โกรธไม่ขัดเคืองไม่หดหูไม่กระทบกระทั่งแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ขา่าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศ ปราถนาะขอเป็นเช่นกับอากาศไม่ติดไม่คัดไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหมือนอากาศเลยคําว่าอิเทวสันโตคำว่าเป็นผู้สงบอยู่ในที่นี้แหละจะขอบรรลุที่นี่นะคือเป็นผู้นั่งอยู่ในที่นี้นี่แหละเป็นผู้นั่งอยู่แล้วในอาสนะนี้นี่แหละเป็นผู้นั่งแล้วในบริษัทนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นขอเป็นผู้สงบสงบอะไรก็คือสงบบาปอากุศลสงบกิเลสอยู่ที่นี้แหละเหงือนมันข่าพระองค์เนี่ยเข้าไปสงบ เข้าไปสงบวิเศษดับประงับแล้วในที่นี้นี่แหละคาว่าอสิโตเนี่ยนะไม่อาศัยอาศัยก็ต้องรู้จักคําว่าอาศัยก่อนเนี่ยนะอาศัยก็อาศัยสองอย่างอาศัยด้วยตันหากับอาศัยด้วยทิฏฐิอาศัยด้วยตัญหาเรียกว่าตันหานิสัยอาศัยด้วยทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐินิสัยข้าพระองค์เนี่ยเพ่งละตันหานิสัยสละคืนทิฏฐินิสัยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ คือไม่ขออาศัยตันหาเนี่ยนะอาศัยทิฐิไม่อาศัยด้วยตันหาทิฐิในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อาศัยด้วยตันหาทิฐิในรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภะและธรรมรมขอไม่อาศัยตันหาทิฐิในสกุลคณะและอาวาสคือที่อยู่ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิในลาบยศสันเสริญสุขไม่อาศัยตันหาทิฐิในจีวณบิณทบาทเสนาสนักีฬาณปัจจัยเภศัชบริการ ไม่อาศัยตันหาทิฐิเนี่ยในการมาธาตรูปธาตุอรูปธาตุไม่อาศัยตันหาทิฏฐิในการมมาพบรูปพบอรูปพบไม่อาศัยตันหาทิฐินี่แหละในสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาภพไม่อาศัยตันหาทิฏฐิในเอกวการาพบจตวโกราพบปัญโวการภพบไม่อาศัยตันหาทิฏฐิในอดีตอนาคตปัจจุบันไม่อาศัยไม่แอบไม่เข้าถึงไม่พ RS, ัวพัน <uk> ไม่น้อมใจเนี่ยนะไม่น้อมใจด้วยตัณหาเนี่ยขอออกขอสละพ้นขาดแล้วซึ่งรูปที่เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ทราบทำทารุปทำ ท, ท, ท, ที่รู้แจ้งเนี่ยนะมีจิตอันทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่ไม่อาศัยเลยเหมือนอากาศจริงๆไม่ติดไม่ค้องไม่ผูกพันไม่ผูกพันตัดตัณหาได้หมดเลยเนี่ยเรียกว่าไม่อาศัย